คุณมอเป็นไงดีแล้วกลวกายก็ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตยอยู่ส่วนจิตถ้าแยกออกไปแล้วเห็นตัวเราไม่มีตัวเรามันมีขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้ขันห้ามันมารวมกันขันมารวมกันจะรู้สึกว่ามีตัวเรา แต่มีสี่ขันก็ยังรู้สึกมีตัวเรานะยังไม่มีรูปพวกลมก็ยังรู้สึกพาะอรูปอารมก็ยังรู้สึกว่ามีตัวเราแต่พวกขันเดียวไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเพราะไม่รู้สึกอะไรเลยมีแต่รูปพวกลมลูกฟักเฉยเฉยนี่แท้จริงแล้วความเป็นตัวตนเกิดขึ้นชั่วคราวเกตัตนชิตเมื่อวานมีใครมาเล่าคนหนึ่งรู้สึกต่องงงงง นะถ้าไม่เผลอนะ่ตัวตนไม่มีถ้าเผลอไปแนละ้วตัวตนก็เกิดขึ้นมาเกิดเป็นคล่าวๆงั้นจริงๆแล้วกระทั่งกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนะสังโยชน์ก็เกิดดับเกิดดับนะดีแล้วคุณหมอดีนลอวองเป็นไงองค์ <c oughs> <c oughs> ไม่จับมันนะเอาเท่าที่ทำได้ถ้าไม่ต้องไปไล่จับมันรู้เท่าที่รู้ได้เออนะแล้วก็ว่าจะต้องใช้เัลที่ความหมายข่ตาาต้องพีรวให้มันเขาต้องต้องการสมาธิทางานทาการนี่ยค่ะคือต้องการที่จะคิดโฟกัสลงมาในสิ่งที่เราจะต้องคิด แต่พอตัวเนี้ยมันทําให้เราคิดเหมือนกับว่าเราคิดถึงผลแต่เรากําลังทําเหตุอยู่แทนที่จะมานั่งคิดเหตุให้จบก่อนไม่มันวิ่งไปหาผลตลอดคร น, นี้องคก็ดึงกลับมาตรงนี้ยมันดึงไม่ได้คืออย่าไปดึงมันดึงไม่ได้หรอกใช่ไหมคะดึงไม่ได้ทําใจสบายๆกับมันองค์ก็แค่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วมันก็ค่อยๆลงแต่ว่ามันใช้เวลามากมากเลยผ่านเป็นข้าคือเราเรายัางแยกไม่ออก ระหว่างการเจริญสติกับการทำงานมันไปปนกันปนปนกันคือเวลาที่ควรจะต้องคิดมันกลับไปรู้รู้เยอะอ๋อโอเคนะแต่ถ้าหากเวลาที่คิดตั้งใจคิดนะไม่ได้รู้ก็ขึ้นมาไม่ได้สติมันไม่เกิดอย่างนี้มันจะจดจ่อาการคิดไปจนกว่ากิเลสจะเกิดสติถึงจะเกิดขึ้นมา มีเทคนิคไหมคะอะไรนะมีเทคนิคไหมคะมเทคนิคที่จะช่วยไม่มีก็คืออย่าไปเกลียด ม, มัน๋ยวไปเกลียดมันเอาต้องมองใหม่ว่าผมเป็นบุญวาสนามากเลยที่จิตทำงานได้ขนาดนี้คนอื่นนะแค่เห็นมันแว บ, บเดียวยังไม่ค่อยจะเห็นเลยนี่เราเห็นได้เยอะแยะเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจนิดนึงเราบางัางคับมันไม่ได้รู้สึกไหมใช่ค่ะ เห็นไหมทำความเข้าใจมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มีบุญวาสนานะถึงจะเห็น <c oughs> ไม่มีบุญวาสนาไม่เห็นหรอกไอ้ <c oughs> ลำพังคิดเรารู้เรื่องงานที่คิดนะคนอื่นเขาก็ทำเป็น <c oughs> แต่ว่าถ้าใจเรามีสติขึ้นมานะก็ดีแล้ว <c oughs> แต่จุดที่ขาดไปคือขาดสมาธิ เวลาที่เราจะทำงานให้รู้เรื่องนะมันต้องเพิ่มสมาธิในการทำงานต้องจดจ่อกับงานอย่าไปเอาเรื่องอื่นอย่าไปสนใจเรื่องดูจิต ด, ดูใจอะไรมีสมาธิอยู่กับงานนะถึงจะทางานได้แต่ถ้าสติเร็วมากๆนะทำงานยากนะ <c oughs> เพราะใจก็เพิ่มไหววับขาดสะบาสหมดแล้วความคิดคิดไม่ปฏิติต่ออาคุณกบ ก็ตอนนี้มีความรู้เอที่ผ่านมาค่ะคือรู้สึกตัวเนี่ยมันอัตโนมัติขึ้นค่ะจากเดิมที่แบบว่าต้องคอยเฝ้าตอนนี้บางทีมันมีความรู้สึกปั๊บเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้เองหนนกัน่่ะคดีละนะเราอุตส่าห์ฝึกกรรมฐานก็เพื่ออันนี้แหละฝึกจนสติเป็นเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเกิดอัตโนมัติเราไม่ได้ปฏิบัติทำละ ะมันเลยคําว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ต้องทําอะไรมันทําเองพอเสตียสตอมาร์เกิดใจก็ตั้งมั่นรู้สึกไหม ใ, ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไปเี่ยอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตก็รู้แล้วเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปดูออกไหมเนี่ยคือตัวปัญญาสะสมปัญญามากเข้ามากเข้าในที่สุดวิมุติจะเกิดจิตจะหลุดพ้นได้ดีแล้วล่ะนะ มาได้ครึ่งค่อนทางแล้วดีแล้วคุสุนันตื่นเต้นไปแล้วมาส่งไปข้างหลังก่อนเรดี๋ยวเครียดหลวงพ่อครับก็ที่ผ่านมาก็เผล้วก็ขาดสติมีส่วนใหญ่ครับแต่ก็พยายามตามรู้อยู่ครับก็รู้ไปนะขยันหน่อยก็แล้วกันมันอยู่ที่เรามีฉันทะหรือเปล่า ถ้ า, ามีฉันทาเรารู้สึกว่าการดูกายดูใจนี่เป็นเรื่องน่าสนุกนะน่าสนใจมันจะขยันดูมันจะดูเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการดูกายดูใจเป็นของน่าเบื่อนะมันต้องเชี่ยวเข็นให้ดูที น, นี้ลําบากหน่อยล้มลุกลุกลามแต่ถ้ามันขยันดูแลกันง่ายครับบางทีก็เวลาอทําความรู้สึกตัวก็รู้สึกว่าชอบดีครับดีนะก็ดูเรื่อย ประชันท่าเกิดวิริยะจะเกิดคือความเพียรมันเกิดเองเพราะมันสนใจอย่างคุณกบรู้สึกไหมใจมันสนใจแนละ้วความเพียรเกิดเองจิตตะคือจิตใจเนี้ตั้งมั่นจดจ่อับเรื่องนี้เห็นไหมไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นแล้วแล้วจิตใจก็มีวิมังสามันเคล้าเคลียมันใคร่ครวนอยู่ในเรื่องการปฏิบัตินะนี่เรียกว่าอิทธิบาตรสี่อิทธิบาตรสี่คือธรรมะที่ทําให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นผู้ใด ปฏิบัติจเจริญสติจนมันเกิดอิทธิบาทเนี่ยมีกำลังขึ้นมาแล้วมีพละหา้าศรัทธาก็มากขึ้นมากขึ้นวิริยะก็มากขึ้นสติสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นมันค่อยสะสมพละหา้าอินทรีห้าอิทธิบาทสี่อะไรเนี่ยแท้จริงก็คือถ้าเราฝึกสติมากๆแล้วองค์ท่ไยที่จะพาให้ตรัสรู้มันจะเกิดขึ้น พจน์ชงมันก็จะเพิ่มขึ้นรวมแล้วเขาเรียกว่าโพธิปักเทียทำทำในฝ่ายของการปรัสรู้สามสิบเจ็ดอย่างจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมันแก่รอบนะเดี๋ยววิมุตติเกิดขึ้นมาตจมันจะตัดสังโยน์มันจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตออกไป ขณะนี้จิตมีสติมากกว่าเมื่อกี้ซ้ำไหมดีแล้วอ่ะคุณตัวนั้นเป็นไงเป็นไงไก็ดีเนะอืมดีแล้วดีแล้อ่ะน่นละ่ะเคยมาไหมคนที่ถือไม้อยู่มากับใครทีมเชียงใหม่หรือเปล่ามากับพี่องค์ค่ะใครนะมากับพี่องค์อ๋อมากระองเหรอ ไม่เคยมาก็อกอไปสอนมาก่อนรูกศิษิคุณแม่สิลีไม่แปลกอะมีเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> <c oughs> มีเป็นล้านมั้งเนาะ <c oughs> ดีละนี่ละ <c oughs> เป็นรูกศิษย์คุณแม่สิลีก็มีศรัทธา <c oughs> มีวิริยะความเพียรมีมาก มีขันติความอดทนอดกลั้นฝึกยากนะฝึกแล้วมันเหนื่อยมันเมื่อยได้ธรรมะหลายตัวท่านสอนดีๆหลายอย่างสอนให้กตัญญูกตัตเวทีสอนในสอนหลายอย่างสอนให้มีศรัทธาดีหลายอย่าง เ, อาเบอร์แปดสิบสี่ทำไมมาบ่อยนักชาวเชียงใหม่าาต้อ ง, งต้อง<า>พูดใกล้ๆใกล้ๆปากนิดนึงค่ะ ว่าไงนะเมื่อกี้ท่านถามอะยค่ะทำไมมาบ่อยนักอ๋อค่ะพอดีรับอาจารย์สุเบนจาจากเชียงใหม่มาค่ะใครมานะอาจารย์อาจารย์สุเบนจาจากเชียงใหม่อ๋อมาส่งกันบ้านหน่อยก็าพอดีมี ม, มีบางมีไปกระทบอารมณ์บางอย่างอ่นะคะก็อยากอยากจะไปต่อว่าเขาให้สะใจเสร็จแล้วพอดีข้างใน มีอะไรเหมือนเตือนให้หยุดไม่พูดอะไรเลยอะค่ะก็ไม่ไปก่อว่าอะไรเขาเลยแล้วรู้สึกใจก็สบายนสติมันเกิดขึ้นมามันช่วยเราเองอะพอเราฝึกกรรมาฐานมากๆนะธรรมะคุ้มครองเราเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตนะธรรมะมาช่วยเราอย่างมโมโหจะไปตีเขาแล้วสติเกิดแล้วไม่ตีกับเขาลดความรุนแรงลงบางบ้านนะเคยมีบ้านหนึ่ง ก, กรรมฐานทั้งสามีพัญญาวันหนึ่งลูกไม่สบายมากเลยจะอยู่หรือจะไปไม่รู้ล้วเศร้าโศกเสียใจไปยืนเกาะเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งพ่อทั้งแม่ร้องหมร้องไห้จะคลั่งตายแล้วลูกเจ็บหนักอยู่ๆแม่ไปมองลูกที่เตียงนะเห็นว่านี่มันก้อนธาตุเท่านั้นเองมันเป็นวัตถุก้อนหนึ่งไอ้ตัวที่ยืนเกาะเตียงอยู่สองตัวเนี้ยก็เป็นวัตถุอีกคนละก้อน ความเศร้าโศกนะมันขาดสะบ้านตรงนั้นเลยฝ mm. ึกไปแล้วธรรมะคุ้มครองเวลาเรามีปัญหาชีวิตที่รุนแรงธรรมะมาช่วยเรา mm. ดีฝึกไปร mm hmm. มอยู่ได้กี่วันรับนี้ mm hmm. <29. S 1> วันนี้อยี่สิบเก้า่ะเก้ววันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้อยู่นาน สิบเก้าเหรอหรือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอ่ะโอมาคนเดียวมาเลย ไ, ได้นานเอดีอดพระเจ้าสอนนะไปคนเดียวเส้นทางนี้ทางเดินคนเดียวเื่เองเอกายนามักตตัวใครตัวมัน <c oughs> เป็นไงจิตเป็นยังไงบ้างเออพอที่มีมีอยู่วันเพื่อนชวนไปฟังเทศอ่ะนะฮะ ถ้าเสร็จแล้วก็เกิดเกิดรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้หลงเมื่อกี้แล้พ่งเมื่อกี้คิดอะไรเงี้ยนะฟังเทศไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่รู้รู้อังหลงรู้แพ่งรู้คิดอย่างเงี้ยตลอดนั่นอะดีที่สุดละนะฟังเทศให้รู้เรื่องมันธรรมะของคนอื่นเราฟังแล้วเราเห็นจิตเห็นใจของเราเนี่ยธรรมะของเราแล้วหลังจากนั้นก็มีแวบรู้แวบรู้แวบรู้ ดีแล้วดีแล้วแล้วพอพอพอหลังจากนั้นหลายๆวันเข้าปรากฏว่าเกิดตำนานค่ะแก้ไม่ได้ยังไงก็แก้ไม่ได้เป็นเดือนเลยค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งโอ้สั่งอะไรก็นจะเกิดก็เกิดไปเกิดเดเิดนยงกลมอยู่ปรากฏว่าโกดโกดบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาโกสุดปรหลอดนะท่านไม่ค่อยได้ยินอ่ะเออมีอยู่วันนึงพอดีเดินโยงกลมอ่ะค่ะ แล้วก็โกรธคนคนนึงขึ้นมาโกรธสุดประหลอดเลยท่านพอสุดประหลอดอปรากฏว่าดับไปแล้วก็มีสติขึ้นมาพอมีสติงงเลยว่าเอ๊ะ ก, กาลังโกรธเต็มที่ทําไมหลุดไปดับไปได้อ่อได้สิเพราะว่าจิตมันจําสภาวะของความโกรธได้เห็นไหมสติเกิดเพราะจิตจําสภาวะได้คค่่ะะแล้วแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะถึงได้รู้ว่าตัวเองเอ๊ะเหมือนปีศาจจริงๆนะเพราะว่านิดนึงก็โกรธหน่อยนึงก็โกรธนะท่านออดีนะ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมต้องเป็นนงางปีศาจนางแม่มดถ้าเป็นคนดีนะมันโรธปลอมเลยเลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่บ้านไม่ได้กลับมาเลยเลยถึงมาที่นี่เพราะรู้สึกเอ๊ะมันทําไมโกรธได้ทั้งวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวโกรธคนนู้นเดี๋ยวโกรธไม่ใช่เมื่อก่อนนะโกรธเอาไว้เลยไม่โกรธโกรธเอาไว้ใจไปอยู่แต่ความว่างมันจะไปโกรธใครไม่มีคนมีสัตว์อะไรน้ํนาใจน้อมเข้าหาความว่างค่ะอันนี้พอเราไม่ได้น้อมเข้าไปเรามีสติขึ้นมา แล้วเห็นว่ากิเลสเกิดทั้งวันกูศนเกิดน้อยเป็นทุกคนนะคนที่บอกว่าจิตเป็นกูศนเยอะๆไม่จริงหรอกจริงๆแล้วอกูศนเกิดมากกูศลเกิดน้อยจนจนน่ากลัวจึงคิดว่าโอ้ถ้าตายอย่างนี้แล้วกลัวตกแน่ๆเลยออไปตกนรกแน่นอนเพราะว่าโกรธได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวนิดนึงก็โกรธหน่อยนึงก็โกรธอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมนะทุกครั้งที่โกรธเรารู้ว่าโกรธนะ่นแะเกิดสติน่ากูศนนะ เราชอบมองแต่ด้านด้านมืด ใ, <ช>ในในด้านที่คู่กับด้านมืดนั้นมีด้านสว่างเราไม่ค่อยมองเพราะึะนั้นทำไมเรารู้ว่าโกรธบ่อยเพราะสติเกิดบ่อยทั้งหักแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนถ้าเห็นกิเลสเกิดมากๆนนะจะไปนิพพานนะไม่ไปลงนรกหรอก<ช> <laughs> ส่วนในที่โกรธตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่เคยรู้ตัวว่าโกรธพวกนี้เราจะตกนรก<ช>นะ เพราะฉะนั้นการที่เราโรรกรธแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะกุศลเกิดเยอะ<ม>แต่ว่าเราชอบไปมองไอ้ด้านที่ไม่ดีคร<ม>ับก่อนอ่านหนังสือของหลวงพ่อไพศาลวิสาโรท่านเทียบดี<ม>บอกคนมีผ้าขาวผืนหนึ่งผืนโ ต, โตโตผ้าขาวเนี่ยมันมีรอยเปื้อนอยู่นิดหนึ่งเนี่ยคนจะมองแต่รอยเปื้อน<ม>รู้สึกไหมผ้าผืนนี้สกปรกความจริงเปื้อนนิดเดียวแต่ว่าจุดเด่นเราสนใจใเรื่องที่ไม่ดีอะ แล้วเวลาที่กิเลสเกิดกิเลสเกิดแล้วสติคอยรู้คอยรู้นะมันควรจะภูมิใจนะ<ม>เหมือนที่องค์อ่ะมันควรจะภูมิใจเพราะสติเกิดบ่อยกูศนเกิดมากเรากลับไปกังวลใจพระอาภูสนเยอะอาภูสนเยอะเยอะเกิดทีทีไม่ได้น่ากลัวเลยอาภูสนที่น่ากลัวคืออาภูสที่เกิดยาวๆเพราะสติมันไม่เกิด ท, ทีนี้มีอยู่วันนึงนะคะเดินจงกรมมาพอเสร็จแล้วก็ เออเกิดเกิดเหมือนกับผีหลอกใ น, ในสาราจงกรมค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนแรกได้ยินเสียงดังก็ไปเดินดูเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรอะ่ะทีนี้ตอนหลังเสียงดังมากเลยโอ้ทีนี้ทีนี้โยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออุภาษีมาก่อนคือตั้งแต่สมัยย่าก็จะท่องคาถาพอจะท่องปุ๊บเนี่ยแลิวเออทฤษฎี ท, ที่ที่ท่านให้ไปบอกว่า กลัวก็ให้รู้ว่ากลัวไงฮพอจะท่องคาถาปุ๊บคานี้โผล่ขึ้นมากลัวก็ให้รู้ว่ากลัวอยู่ตรงนั้นน่ะฮะเลยถึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราเคยปฏิบัติที่ไปนอนป่าช้าอะไรเงี้ยนะเราอยู่ในอกุศลตลอดเเพราะว่าไปสู้อย่างนั้นมันมันมันมันมันมันดีกว่าทีนี้ก็เลยมีปัญหาว่าตอนช่วงที่จะเดินจงกรมนะฮะทุกวันเลยจะมีตัวหนึ่งขึ้นมาเลยว่าอย่าไปเดินเลยเดี๋ยวโดนผีหลอกอีกเนี้ยเอ กลัวตรงไหนนะไปตรงนั้นต้องไปตรงนั้นใช่ไหมคะกลัวที่ไหนก็ไปที่นั้นแล้วมันจะไม่กลัวมันกลัวแรกๆหรอกทีหลังมันก็ไม่กลัวงั้นงั้นต้องไปต่อไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็ต้องอย่าให้สติแตกก็แล้วกันเนบบอกหลวงภาพกลัวที่ไหนไปที่นั้นเลยกครีดขึ้นมานะแต่แต่มีมีวันนึงก็โดนหลอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นบ้าตายอยู่ตรงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ ก็ยืดนะบ้ากว่าบ้าเนนักปฏิบัติต้องใจถึงนะ uh huh. แล้วคอยรู้ใจของเราไว้ uh huh. ผีที่ไหนก็มีวัด น, นี้ก็เยอะแยะอ uh huh. <laughs> ดีแล้วนะได้ฝึกสติ uh huh. ดีเอาไว้ฝึกนะ uh huh. ดีเรารอดมาได้คืนหนึ่งแล้วคืนต่อไปสบายกว่านี้ uh huh. มันลำบากจีแรกหรกเ <laughs> <laughs> นี่ยคนนะอยากจะมาขอหลวงพ่อจะมาอยู่วัดนะ หลวงพ่อก็มีกติกาเหมือนกันคนที่จะมาอยู่ต้องตื่นแล้วภาวนาเป็นแล้วถ้ายังเริ่มใหม่ๆนะก็เอาไปก่อนไม่งั้นชิวยาวหลายปีในี่ใครตื่นแล้วก็ทำไมต้องเอาเลือกที่ตื่นแล้วจะได้ไม่สติแตก <c oughs> เกิดอะไรน่ากลัวขึ้นจะได้ไม่เป็นไร <c oughs> อย่าไปกลัวนะที่ไหนก็มีแต่แต่ตอนหลังก็จับได้ว่าเอ๊ะ มันเรากลัวความคิดของเราเองอ่ะเรากลัวความคิด่ใชผีอะไมันจะมาตั้งหน้าตั้งตาหลอกเราได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วมันก็ต้องไปทํามาหากินอยู่มันเหมือนกันท่านเนี่ยหรอคะท่านในปนเป็นไงท่านในปนเผลอเผลอบ่อยขึ้นครับรู้ว่าเผลอบ่อยขึ้นครับแล้วก็เพ่งอาจจะน้อยลงหน่อยดีละดีละนะครั้งก่อนติดเพ่งเยอะนิดนึงครับ ดีล้วี้วอ้าวท่านนี้เชิญเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้เ อ, อท่านนี้บอกว่าโกรธบ่อยผมโกรธบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเนี้โกรธคนข้างนอกโกรธคนที่ห่างตัวอตอนนี้มาโกรธคนใกล้ตัวและโกรธบ่อยครับโกรธอะไรนะโกรธคนใกล้ตัวครับออและโกรธบ่อยอก็สงสัยว่า มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับถ้าเป็นปกติไม่มีอะไรหรอกธรรมดาเราชอบทำร้ายคนใกล้ๆตัวมันปลอดภัยดีคือจิตใจนะเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราบังคับมันไม่ได้บางอย่างไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นได้อย่างคนใกล้ตัวเราเรารักแท้ๆเลยใช่ไหมแต่เราพุ่งุญจิดขัดใจเยอะ แต่ก็เราคอยสังเกตนิดนึงบางทีมันก็มีเหตุเหตุก็คือบางทีเราหวังดีนะหวังดีอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นความการุณาสิ่งที่ใกล้กับกรุณาคือโทสะหวังดีอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่เป็นอย่างใจเรานะโทสะมันจะเกิดอย่างนี้ก็มีเกิดง่ายแต่คนอื่นเราไม่ได้หวังดีด้วยมันจะเป็นจะตายเฉยๆนี่งั้นบางทีกับคนใลกล้ตัวนะโทสะเกิดเพราะความการุณาของเราอันนี้แหละ ไม่แปลกอะไรต่อไปจะโกรธละเอียดกว่านั้นอีกโกรธตัวเองว่าทําไมว่าภาวานามาป่านนี้แล้วละกิเลสไม่ได้สติชักโมโหบ่นนะภาวานาแล้วบางคนภาวานาไปเลยด่าตัวเองเรื่อยทําไมกิเลสเกิดบ่อยก็อย่าไปโกรธเลยอีกโกรธใครก็ไม่เอาทั้งนั้นนะคอสังเกตต้นทางของมันนะกับคนใกล้ตัวเราทําไมเราโกรธค่อยๆสังเกต หรือบางทีคนทั่วๆไปเนี่ยแต่คนใกล้ตัวพโกรธแล้วเนี่ยจะแสดงออกรุนแรงกับคนอื่นไม่กล้าเนี่ยเป <Yeah. S 1> ็นเราค่อยๆสังเกตพอเรารู้เท่ารู้ทันนะใจมันค่อยคลายออกเองไหนๆถามแล้วก็ต่อยนิดนะครับส่วนใหญ่แล้วโกรธเพราะความเสียใจครับ uh. คือว่าอยากจะเห็นว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อ uh huh. นะทําทไมจึงเป็นอย่างนี้ถึงได้โกรธ uh huh. ครับ คือสิ่งที่ทำให้เราขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งผลประโยชน์ขัดกันอันหนึ่งความคิดเห็นขัดกันคนไหนที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยมันจะคอยตั้งมาตรฐานขึ้นมาอันหนึง่งน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้แต่คนอื่นก็น่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้เพราะมันไม่เหมือนอย่างที่เราคาดหวังก็โกรธหลายบ้านเลยที่ไม่มีความสุขเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่านะว่าหงุดหงิดทั้งวันเลยคนในบ้านมันน่ า, านําคาญ มาค่อยๆชี้ให้เขาดูแลาวจริงๆเขาตั้งมาตรฐานนะว่าลูกควรจะทําอย่างนี้หลานควรจะทำอย่างนี้นนนมันมีแต่คาว่าน่าจะน่าจะเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วเราก็โกรธเพราะว่าเรายึดถือในความคิดเห็นของตัวเองนี่แหละที่จริงคนแต่ละคนเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราบอกได้เราเตือนได้แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนใจนี่ถ้าพอเรามีมาตรฐานขึ้นมามันขัดกับมาตรฐานเราเราก็โกรธบ่อยแต่คนข้างนอกน ขัดมาตรฐานเราเราก็จะไม่ค่อยสนใจมันก็ได้ไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญแตคนข้างนอกเนี่ยขัดผลประโยชน์เราก็ต้องสู้ตายพระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่ากษัตริย์กับกษัตริย์นี้ไม่เฉพาะกษัตริย์อนะหมายถึงคนทั่วทวไปด้วยกกษัตริย์กับกษัตริย์เนี่ยวิวาทกันเพราะตันหาและทิจิผลประโยชน์กับความเห็นขัดกันอย่างคนในโลกโยมเป็นทหารมาดูสิสงครามในอดีตน่ะเกิดจากตันหาและทิจิ แย่งทรัพยากรกันบ้างเนี่ยอุดมการณ์ขัดกันบ้างสงครามเกิดขึ้นมาเพราะตัณหาและไรทิฏฐินี่พระเจ้าสอนมาตั้งหลายพันปีแล้ ว, ลวก็ยังถูกอยู่อย่างนี้หลยแล้วท่านบอกว่าสมณพราหมณ์กับสมณสมณพราหมณ์เนี่ยขัดแย่งกันเพราะทิฏฐิเพราะผลประโยชน์ไม่ค่อยจะมียุคเว้นยุคนี้นะผลประโยชน์เยอะอนะแย่งกระชินกันอาจจะฆ่ากันได้นะแต่ถ้าสมณพราหมณ์จริงๆนี่ไม่ได้หาผลประโยชน์ที่จะขัดกันด้วยทิฏฐิ สังเกตไหมนักปฏิบัติแต่ละสำนักชอบทะเลาะกันสำนักไหนถูกสำนักไหนผิดไม่ขัดกันด้วยทิฏฐิไม่ความเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะหลายพันปีก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละเราค่อยๆเรียนไปเราตัณหามากไหมหรือเราทิฏฐิมากไหมเราเรียนที่ใจเราก่อนพอใจเราไม่ถูกตัณหาไม่ถูกโลมพัดครอบงำํำนกะ็จะไม่มีปัญหาเรื่อง มีวาดเรื่องผลประโยชน์อะไรมากนักยกเว้นแต่การป้องกันสิทธิของเรานะต้องป้องกันเราเป็นฆราวาสอย่างนี้ต้องป้องกันพระก็ต้องป้องกันวัดวาอารามต้องรักษาเสนาสนะอะไรอย่างนี้ต้องรักษามีหน้าที่หรือเราเคยดูใจของเราเรายึดถือในความคิดความเห็นของเรามากไหมวัดใจเราเรื่อยๆอยังองค์เนี่ยรู้สึกไม้มองค์ยึดถือความเห็นตัวเองเยอะก็เลยตีกับแม่เรื่อยเลยตีกับคนอื่นเรื่อยๆ เนี่คอยดูตัวนี้นะดูไว้พอปัญหาและทิฏฐิไม่ครอบคลองใจของเราสติปัญญาครอบคลองใจเราสบายมีความสุขเยอะพ้าโยมถัดไปเป็นไงเอ่อกระผมมีมีความรู้สึกว่าบางวันก็รู้ได้เยอะนะฮ ะ, ะเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อได้กุณาสอนนะฮะ ร, รู้สึกว่ามีความคืบหน้าเยอะอันนี้พอบางวัน ต้องออกไปกินเลี้ยงลูกค้าหรื่มรุ่นสุราอะไรเงี้ยนะะรู้สึกมันขาดช่วงความก้าวหนาอื ม, มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยาบางที<ต>กไปเร็วบางทีก็มันสะดุดอือย่าตกใจนะคืออย่างศีลเนี่ยเป็นคารวาสเนี่ยสำนวนบาลีบอกว่าเป็นคารวาสจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทํายากคนยุคโน้นเห็นหอยสังบ่อยที่ขัดก็รู้สึกหอยสังนี่สะอาดหมดจด เรี่เรียบเทียบอย่างนั้นเป็นคารวาสเนี่ยถือศีลให้ครบให้ท่วนนะลำบากอย่างเราไปต้องไปกินเลี้ยงกับลูกค้าต้องไปกินเหล้าไปกินแล้วอย่าให้เมานะกินเท่าที่จำเป็นในขณะนั้นศีลขาดแน่นอนแต่ว่าเมื่อเลิกกินเหล้าแล้วเนี่ยเรารักษาศีลของเราต่อให้มันขาดในช่วงเวลานั้นอย่ามาเศร้าหมองทีหลังบางทีเศร้าหมองหลายวัน แล้วพอหายเศร้าหมองก็ได้เวลาไปเลี้ยงลูกค้าอีกแล้ว <c oughs> นะงั้นอากูศนใดที่ทําแล้วนะทิ้งมันไปเลยทิ้งมันไปเลยเริ่มต้นใหม่ตั้งใจรักษาศีลขึ้นมาใหม่ได้บุญอีกและว <c oughs> งั้นใจให้เขาอยู่กับกูสนไหมการรักษาศีลให้สะอาดหมดจดต้องใช้สติปัญญามากอนะแต่มาไม่ต้องไปเลี้ยงลูกค้าตอนนี้เป็นข้ า, าราชการข้าราชการเนี่นะตอนเด็กๆนี่ลาบากมากเลยตอนเสีย่ยงน้อยๆอ่ เวลาไปกินเลี้ยงนะผู้ใหญ่มันกินเหล้าทั้งโตเลยนะที่เราไม่กินคนเดียวมันก็ขยันขยอรนะเราไม่กินก็ลําบากนะนะเราก็ต้องอ้างโน้นอ้างนี้ไปเรื่อยนะแล้วเราก็ตอนหลังหลวงพ่อเปลี่ยนมาตรการใหม่อนะเราลินเหล้าให้เขากินแทนนะของเราเราก็เติมโซดาเยอะๆนะเราหยอบเพปซี่ลงไปหน่อยอย่าให้เขาเห็นนะเหมือนเปียบเลยนะไอ้ขี้เมามือหนึ่งที่ไหนมาชนแก้วกับเร า, าว่าคว่าก่อน ไไหนก็ตั้งหน้าตั้งตากินกลับไว้ดูหุ่นหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ว่าตอนเด็กๆ ก, ก็ลำบากพอเราสี่โตขึ้นโตขึ้น ต, นตอไปคนมันมานั่งโตเหล่านะัะมันไม่กล้ากินเหล้ามันกลับข้างกันนะนั้นเราต้องมีหลักการเหมือนกันค่อยๆดูทำอะไรได้ก็ทำไปบางคนสงสัยอย่างชาวประมงอาชีพจับปลาเนี่ยถือสินได้ไหม ถ้าชาวประมงโง่ก็จะบอกว่าไม่ถือศีลนะเขาจะต้องไปจับปลาเนี่ยระหว่างออกเรือไปยังไม่ได้จับปลาบางทีวิ่งเรือเป็นวันๆไม่เจอปลานะมันควรจะมีศีลอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ทําบาปอาภูตนอะไรรักษาศีลไว้เกิดตายตอนนี้จะได้ไปสุคติเนี่ยก็ไปคิดแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปจับปลาเลยไม่ยอมรักษาศีล น, นี่ไม่ฉลาดนะตอนไปจับปลาศีลมันขาดก็ขาดไปแ ล, ะละ้วล่ะมันช่วยไม่ได้แล้วบาปอาภูตนยังไงก็ต้องรับผล อาจจะต้องเจ็บป่วยอายุสั้นอะไรเงี้ยนะจะต้องมีแต่พอจับเสร็จแล้วเนี่ยตั้งใจสมาทานศีลใหม่ศีลไม่ต้องมาขอที่พระนะขอที่ตัวเองที่ใจของเราเองตั้งใจรักษาไว้ออกเรือไปนะถูกตัวอะไรมันกัดก็ไม่ไปฆ่ามั น, นไม่ได้จับปลานะแต่ไม่ได้ไปฆ่าตัวอื่นเราก็รักษาศีลได้เหมือนกันหรือเพื่อนมาว่าเราเราก็ไม่ไปชกไปต่อยเขานี่ก็มีศีลไหถือได้ได้ไดบุญตลอด เราแบ่งนะเวลาที่อากุศลเอาไปกินเนะี่ยช่างมันล้าทนไม่ได้มันอมันทําไม่ได้ันะําบากแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปคนเขารู้มาตรฐานเรานะลูกค้าจะรู้สึกอู้คนนี้น่าเชื่อถือนะมีศีลมีธรรมเลยอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าอีกนะอาจจะไม่ต้องเลี้ยงลูกค้าลูกค้าจะต้องไป้พาลูกค้ากินมังสวิรัตออลูกค้าเกิดประทับใจโอ้คนนี้ กรทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยยังไม่เบียดเบียนเลยคงไม่เบียดเบียนลูกค้าหรอกเนี mm ่ย hmm. ค่อยๆนะค่อยๆนะเปลี่ยนลูกค้า mm hmm. คุณนําเกิงเป็นไงหือเ mm hmm. มตตาเนี่ยปกติถ้าจเจริญเมตตาเนี่ยนะเมตตามันใกล้กับราคะกรูนามเนีใกล้กับโทสะแต่ความจริงแล้วความเคร่งตึงเนี่ยเกิดจาก ความจงใจจะไปทําอะไรอย่างหนึง่งนะไม่เฉพาะเจริญเมตตาหรอกไปเจริญนันอื่นนะถ้าทําอย่างซีเรียสนะมันก็เคร่งตึงเหมือนกันหมดแหละนะกำหนดลมหายใจนะไปบังคับลมหายใจมันก็เคร่งตึงเหมือนกันแหละนะไม่เฉพาะเมตตาหรอกนะแต่ถ้าเจริญเมตตาแล้วไม่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยราคาแทรกเมื่อก่อนมีพระดังองค์หนึ่งนะท่านเจริญเมตตามากใจท่านนี้นะเมตตาเยิ้มไปหมดเลยนะเยิ้มตลอดเวลาเลย ในที่สุดราคาก็เอาไปกินงั้นเมตตานะี่ยมันใรรกล้ราคาการุณาเนี่ยอย่างรักลูกรักเมียในนี้มันใกล้กับโทสะนะใกล้กันมันฟิกนิดเดียวกุศลเป็นอกุศลได้ดูจากของจริงนะอย่าอ่านตำราถ้าอ่านตำราต้องอ่านตำราชั้นพระไตรปิฎกน ะ, ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะเดี๋ยวโยมรับพรแล้วก็ ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนตีสะคารังอวเมวายโตทินังเกตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมิฉตุสภเภปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสพีตีโยวิวัชชนตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารุธรมาวทัฏตีอายุวันโนสุขังพระลังภวัตูสะพระมังคลังรักขัตุสัพรเทวตาสะพพุทธานุภาเวนาสะ พ, พัฒมานุภาเวนาสะ พ, พัสังคานุภาเวนาสดาโสที